พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายนับจำนวนไม่ได้จำนวนเท่าที่จะนับได้ mm. ก็ที่มีอยู่ในพระใจปิตก mm. คือแปด0มื่นสี่พันถ้าทำบัคขรนก็ทำทั้งหมดนี้ ถึงแม้จะมีมากมายกลายกองขนาดไหนก็ตามก็จะมีเนื้อหาสาระอย่างเดียวกันทั้งหมดก็คือทรงตัดสอนวิธีการดับทุกขนั้นเองเหมือนกับน้ำเนลาสนุสถึง แ, แม้จะมีจานวนมากมาย ก็มีเหมือนกันหมดก็มีความทุกทำไมพระพุทธเจ้าเสด็ต้องตัดสอนวิธีการดับทุกข์ <c oughs> เพราะความทุกข์นี้เป็นเหมือนยาพิษนั่นเองที่ไม่มีใครอยากจะสัมผัสไม่มีใครอยากจะรับประทานเข้าไปในร่างกาย แต่ทำไมยังต้องมีการสัมผัสกับความทุกข์อยู่ทั้งๆ ท, ที่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้มีทางที่จะดับทุกข์ได้เพราะว่าไม่รู้นั่นเองคืออวิชชา ควมไม่รู้วิธีการดับทุกข์จึงมีแต่รู้จักวิธีผลิตทุกข์กันจึงมีแต่ความทุกข์กันถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาจับสรู้วิธีการดับทุกข์แล้วนำมาเผยแพ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลาย เราจะไม่มีวันรู้ได้เลยว่าวิธีของการดับทุกข์นี้ทำได้อย่างไรเราก็จะดับทุกข์ด้วยการผลิตทุกข์ขึ้นมาเพราะความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวนั่นเองคือคิดว่าจะดับความทุกข์ ด้วยการสร้างความสุขขึ้นมาหรือความสุขทางร่างกายความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ไม่เห็นว่าความสุขของร่างกายนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อย เวลาใดที่ไม่ได้เติมความสุขก็จะมีแต่ความทุกข์นี่คือความหลงความไม่รู้วิธีการดับทุกข์ว่าจะดับได้อย่างไรก็เลยดับด้วยการไปหาความสุขทางกรรมกุนห้าโดยทางตาหู จะหมด น, นิกายทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภเป็นแทนที่จะดับความทุกข์กลับเพิ่มความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสอนก็จะไม่มีใครรู้ว่า การลับความทุกข์แบบนี้ไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์แต่เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นบุญเป็นกุศลเป็นโชคกะลาบ อยิง่งยิ่งกว่าการได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสิเพราะรางวัลที่เราได้รับจากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ของเราได้แต่การได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนำเอาไปปฏิบัติในทางที่จะสามารถดับความทุกข์ในใจของเราให้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิงนานาเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาคั้งสักครั้ ง, งดังนั้นโอกาสนี้โอกาสอันเลิศอันประเสริญนี้เราจรึงไม่ควรปล่อยให้หลุดมือไป ครที่จะรีบขวนข ว, นขวนายศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเวลาของเรานั้นก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะหมดไป ในที่สุดเราจึงไม่ควรไปเสียเวลากับการดับความทุกข์ด้วยวิธีการหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายเพราะมันจะไม่ได้ดับความทุกข์มันกลับจะเพิ่มความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเราต้องยอมอดทนเราต้องยอมทุกขยากลาบาก กับการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราไม่ยอมเราก็จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้เราต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างตั่นเป็นพุทธทางเจ ร, ริญปัจฉามิเป็นที่พึ่งของเรา คำว่าที่พึ่งก็คือเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างที่ดีงามของการดับทุกข์นั่นเองว่าพระพุทธเจ้าทรงดับทุกข์ด้วยวิธีใดเราก็ต้องดับทุกข์ด้วยวิธีนั้นถ้าเราไม่ทาตามที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติ และสงสอนให้ปฏิบัติเราจะไม่มีวันที่จะดับความทุกข์ให้หมดไปจากใจของเราได้เลยเราต้องยอมรับว่านี่เป็นทางที่เราต้องไปเหมือนกับคนไข้ที่ไปหาหมอหมอบอกว่าต้องหาตับเท่านั้นโรคภข้ไข้เจ็บถึงจะหายได้ ถ้าเราไม่เชื่อหมอเราไม่ยอมผ่าตัดเราก็จะต้องตายเท่านั้นคนจึงยอมผ่าตัดกันถึงแม้ว่าจะมีโอกาสที่จะต้องตายไปพราะอาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในการผ่าตัดแต่ก็ต้องยอมเสี่ยงตายเพราะรู้ว่ามีโอกาสที่จะรอดได้ ดีกว่าไม่ผ่าตัดถ้าไม่ผ่าตัดก็ต้องตายเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าผ่าตัดยังมีโอกาสที่จะอยู่ต่อไปได้ฉันใดก็ฉันนั้นการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับการผ่าตัดแต่ดีตรงที่ว่าไม่ไม่ตายอย่างแน่นอน ถ้าใครปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้จะดับความทุกข์ความในใจได้ทุกคนได้อย่างหมซึ่งจะไม่มีวันที่จะต้องตายไม่มีโอกาสที่จะตายเหมือนกับการไปเสี่ยงกับการผ่าตัดดังนั้นเราจึงควรมีความมั่นใจว่าไปตามพระพุทธเจ้านี้ไปแล้วจะปลอดภัยไปแล้วจะสบาย ไปแล้วจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแน่นอนแล้วก็มีผู้ที่ได้มีศรัทธามีความเชื่อปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนและได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันเป็นจำนวนมากที่เป็นพระอริยสงสารลก ที่เราเกล่าวถึงว่าสังฆังสารนังกัจฉามนี้เองก็คือพระอรหันตสาวกและพระอริยาสาวกลำดับต่างๆนับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านเหล่านี้ได้ดับความทุกข์ไปตามกำลังของ สติสติปัญญาของท่านแล้วก็จะเลื่อนขึ้นไปตามลาดับจนสามารถดับความทุกข์ได้อย่างเต็มที่ได้เป็นพระอรหันตสาวกท่านก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญอย่างไรปฏิบัติอย่างไรท่านก็บําเพ็ญเช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าทรงทาทานด้วยการสละพระราชสมบัติพระสาวกทั้งหลายก็สละบ้านสละเรือนสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆแล้วก็ออกไปอยู่ตามป่าตามเขาไปปลีกวิเวทไปอยู่ตามสถานที่สงบสนัดห่างไกลจาก สิ่งที่ยั่วยวนตัวใจต่างๆสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับใจรักษาศีลให้บอยสุดควบคุมการกระทําที่จะทาให้เกิดความทุกข์ใหญ่ขึ้นมาก็คือการกระทําตามความอยากต่างๆไม่ทา ในสิ่งที่ไม่ควรจะกระทำเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพื่อผติประเวณีในกรณีของนักบวชก็คือไม่เสกกลางไม่ร่วมหลับนอนกับผู้ใดไม่ทูดปดและไม่เสกสิ่งที่มึนเมาต่างๆ เพราะการเสษสุรายามานี้จะทำให้ไม่มีสติคุ้มครอมการกระทธรมทางกายทางวาจาและทางใจก็จะสามารถทำให้ไปทำในสิ่งที่เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและเกิดความทุกข์ให้แก่ผู้กระทำได้ซึ่งเป็นการสวนทางของการ บำเพเพื่อการดับทุกข์ผู้ที่บำเพ็ญเพื่อการดับทุกข์ต้องมีการควบคุมกายวาจาไม่ให้ให้มีการกระทำที่เสียหายที่แก่ผู้อื่นและกับผู้กระทำเองเรียกว่าสีพระพุทธเจ้าก็รักษาสีแล้วพระพุทธเจ้าก็ตื่นชั่วเวก ไปศึกษากับผู้รู้ต่างๆเท่าที่จะสามารถศึกษาได้เท่าที่ผู้รู้ต่างๆจะสามารถสั่งสอนได้แล้วก็นำอาอกไปปฏิบัติตามที่ผู้รู้หนักานได้สั่งสอน<ๆ>ก็ได้ดับความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งที่เรียกว่าระดับสมาธิคืคอทาใจให้สงบ เป็นอุเบกขาสัแต่ว่ารู้เวลานั้นความทุกข์ต่างๆภายในใจก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะเหตุที่ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นนั้นได้ถูกระงับไว้ชั่วคราวเหตุก็คือปัญหาต่างๆความอยากต่างๆนี่อเองการมาตัญหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาจะไม่ทำงาน ไม่สามารถทํางานได้ในขณะที่จิตวมอยู่ในอุเบขาอยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบเพราะตอนนั้นไม่มีสังขารความคิดปรุงแต่งจะคลิดปุงจะเกิดตันหาขึ้นมาได้ต้องมีการคิดปรุงแต่งเพราะความคิดปรุงแต่งนี้จะเป็นเครื่องมือของตันหานั่นเองเพราะพออยู่ในสมาธิ ปัญหาก็ไม่ทำงานความทุกข์ใจก็ไม่ปรากฏขึ้นมาความวุ่นวายใจต่างๆความวิตกกังวลต่างๆความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นก็จะไม่มีความวุ่นวายใจกอเลยไม่มีมีแต่ความสงบมีแต่รู้เบิกขามีแต่ความสุขที่ เลือที่ประเสริฐกว่าพาังสึกต่างๆทั้งหลายในโลกนี้กาที่ใจจะเข้าสู่พังสงบได้ก็ต้องมีตัวบังคับมีตัวลาดจุงให้ใจเข้าข้างในใจนี้จะปกติจะออกข้างนอกอยู่เรื่อยๆเพราะมีตัวคอยผลักดังให้ออกไปก็คือการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหานี้ จะคอยดันให้ใจออกไปหาเรื่องราวต่างๆออกไปหารูปเสียงตินลบโผล่ตออกไปหาบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆแล้วก็อยากที่จะได้บุคคลต่างๆสิ่งต่างๆให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ถ้าจะเดินใจให้เข้า้างไหนจริงต้องมี ตัวหนึ่งเข้าไปตัวที่จะดึงใจเข้าไปก็คือสตินี่สตินี้จะเป็นผู้ที่จะดึงใจให้เข้าไปข้างในให้เข้าไปสู่ความสงบให้เข้าไปสู่สัจธรตวรุให้เข้าไปสู่โอมมบเบ ข, ข, ขาถ้าไม่มีสติแล้วก็จะไม่มีใครจะดึงใจเข้าไปข้างในได้ ผู้ที่ต้องการให้ใจเข้าสู่ความสงบเพื่อที่จะดับความทุกข์ถึงแม้ว่าจะเป็นความทุกข์ชั่วคราวก็ต้องเข้าไปต้องมีสติยึงใจเข้าไปถ้าไม่มีสติแล้วก็ไม่มีวันที่จะทำให้ใจสงบได้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้ การเจริญสติจึงเป็นงานเริ่มต้นเป็นงานที่สำคัญที่สุดในบรรดางานทั้งหลายเพราะว่าถ้าไม่มีสติแล้วใจก็จะไม่สงบไม่มีสมาธิเมื่อใจไม่มีความสงบไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถใช้ปัญญารักษาความสงบรักษาสมาธิไว้ได้ ใจก็จะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายถ้าใช้สติหรืใช้ปัญญาก็เพียงแต่เป็นการหยุดเป็นพักๆไปเวลาใดที่คิดได้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากก็ฝืนหยุดความอยากไปก็หยุดได้เป็นพักๆ แต่จะไม่มีกำลังที่จะใช้ปัญญาอย่างเติมที่ได้ใช้อย่างสมเหตุสมผลคือสอนให้ใจหยุดตัณหาความอยากต่างๆให้อย่างถาวรนจะไม่มีกำลังที่จะทำได้เพราะความอยากมีกำลังที่มากกว่าที่ใจจะสามารถต้านได้ แต่ถ้าใจมีสมาธิมีความสงบใจจะมีกำลังเพราะเวลามีสมาธินี้ใจหยุดความอยากได้ถึงแม้ว่าจะเป็นการหยุดความอยากชั่วคราวแต่ก็หยุดได้อย่างเต็มที่แล้วถ้าต้องการที่จะหยุดอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาเป็นตัวมาช่วยเอกตัน เพราะปัญญาจะเข้าไปทำลายต้นเหตุของความอยากนั่นเองต้นเหตุของความอยากก็คือความหลงความหลงก็คือเห็นผิดเป็นชอบเห็นตรงจักเป็นดอกบัวเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเรา พอเห็นอย่างนี้มันก็จะเกิดตัญหาขึ้นมาพออะไรเป็นของเรานี่เราจะอยากให้มันเที่ยงทันทีอยากจะให้มันอยู่กับเราไปตลอดอยากจะให้มันอยู่ภายใต้าการควบคุมบังคับของเราพอเกิดความอยากมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่แหละคือตัวที่ทำให้เราทุกกันอย่างแท้จริงก็คือความหลง คือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นทุกว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเห็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปว่าสามารถสั่งได้ทำได้พอสั่งไม่ได้ทำไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้น พอ เ, เกิดความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เกิดความทุกใจขึ้นมาเพราะเขาไม่ได้เป็นตามที่เราอยากถ้าเห็นอย่างนี้ใจก็จะได้ถอยหลังไม่เข้าไปหาสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่หาสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่หาสิ่งที่ไม่ใช่ของเราไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมบังคับได้ อะไรล่ะที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราก็ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แหละสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นไปรักทั้งนั้นแต่ น, นิจจงทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นของที่อยู่ภายนอกกายเช่นลาบยกสนเสริญรูปเสียงกิ่นรสผดทพร เพราะพวกนี้ก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตตาเช่นเดียวกับร่างกายก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันถ้าไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความอยากให้เที่ยงอยากให้ไม่แก่อยากให้ไม่เจ็บอยากให้ไม่ตาย ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่มันแก่เวลาที่มันเจ็บเวลาที่มันตายนี่คือการพิจารณาสภาวะธรรมตั้งหลายหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วเพื่อที่จะได้สกัดกัน้นความอยากนั่นเองถ้าเห็นอนิจจงทุกขังอนัตต า, าจะไม่อยากได้เหมือนกับเห็น ป้ายที่ก็าเ ข, าขียนบอกว่าอันตรายเป็นยาพิษเวลาเราเปิดตู้ยาแล้วมียาที่เขาติดป้ายไว้ว่าอันตรายห้ามรับประทานเราก็จะไม่รับประทานแต่ยานี้ยังใช้งานได้เช่นเป็นยาทาเราเอามาทาเราไม่เอามารับประทานถ้าเรารับประทานเราก็จะเจ็บ่ายได้ตัว ท้นดงนั้นใดเราต้องเห็นป้ายนี้ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรากเลือดแสงแสงไม่ว่าจะเป็นนู่งสิยงกิ่น้สโถดสัพพะไม่ว่าจะเป็นร่งนางกายของเราหรือของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารเวีน ญ, ญารวมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นถ้าเราเห็นด้วยปัญญา เราก็จะไม่ไปอยากได้อยากมีอยากเป็นพอเราไม่มีความอยากแล้วความทุกข์ก็จะหายไปอย่างถาวร น, นี่แหละการที่จะใช้ปัญญาได้ต้องมีสมาธิมีความสงบก่อนถึงจะมีกำลังที่จะพิจารณาที่เพื่อที่จะได้ถอดถอนความหลง ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดตัญหาความอยากต่างๆขึ้นมาพอได้ถอดถอนความหลงออกมาแล้วความอยากต่างๆก็จะหมดไปความอยากต่างๆหมดไปความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปเมื่อไม่มีความทุกข์แล้วก็มีแต่ความสุขมีแต่ความสงบอยู่ตลอดเวลา นี่คือใจของผู้ที่สามารถถอดถอนความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ด้วยการถอดถอนความลง่ด้วยการใช้สติสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องมือนี่คือพระพุทธเจ้าและพระอังตณ า, า, าสาวกทั้งหลายท่านดำเนินอย่างนี้ท่านปฏิบัติอย่างนี้ แล้วท่านก็นําเอามาสอนพวกเราให้ปฏิบัติตามถ้าพวกเราอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นเหมือนพาอาาระอรหันตสาวกทั้งหลายเราก็ต้องปฏิบัติแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าแบบเดียวกับพระอรหันตสาวกตอนาะนี่เป็นเรื่องของเหตุและผลเหมือนกับเราปฏิบัติตาม ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาไปโรงเรียนเขาไปเรียนหนังสือเขาเลื่อนชั้นขึ้นไปตามลำดับจนในที่สุดเขาก็เรียนจบการศึกษาระดับต่างๆถ้าเราอยากจะจบการศึกษาระดับต่างๆเราก็ต้องตามเดินตามแบบผู้ใหญ่เราก็ต้องไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือไปศึกษา แล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นไปตามลาดับจนในที่สุดก็สามารถจบการศึกษาในระดับต่างๆได้ทันใดการดับความทุกข์ในระดับต่างๆก็เป็นเหมือนกับการศึกษาขั้นเรียนนั่นเองเพียงแต่ว่านอกจากศึกษาแล้วยังต้องนำเอามาปฏิบัติด้วยเพราะการศึกษาเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่สามารถที่จะ ับความทุกข์ภายในใจได้เช่นเราศึกษาเรื่องการทำทานเรารู้แล้วว่าเราต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเราต้องรักษาศีลศีลห้าศีลแปศีลสองร้อยยี่สิเก็บศีลสามร้อยกว่าตามลำดับตามเทศตามวัยแล้วก็ต้องปอีกวิเวท หาสถานที่สงบจั ง, งัดเจริญสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับสตินี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบนี้ก็คือวิธีการเจริญสตินั้นต่างๆถึงสี่สิบวิธีด้วยกันวิธีที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่อย่างสม่ำเสมอเรียกว่า พุทธานสิติคือการเจริญพุทธคุณหรือการระลึกถึงพระพุทธเจา้าจะเป็นการสวดบทพระพุทธคุณไปก็ได้เช่นอิอิอปิโสอ า, าหังสมาสวดไปหรือเป็นการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ขาดตอนไม่ให้พลังไม่ให้เผลอไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือถ้ามีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาแทรกก็ไม่สนใจให้สนใจอยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับตานอนไม่ว่าจะทำกิจอะไรต่าง ก็ให้เราเลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างต่อเ น, นื่องพุทโธไปอยู่ภายในใจอย่างต่อเ น, นื่องถ้าทำอย่างนี้ได้ใจก็จะมีสติที่จะดึงใจให้เข้าข้างในไม่ให้ออกไปข้างนอกเวลานั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วจเจริญพุทธทากสติใจก็จะดิ่นเข้าสู่ความสงบได้รวมเป็นหนึ่งสัตตว่ารู้ เป็นเอคกคาตาเราเป็นอุเมคาเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่ก็คือการเจริญสติถ้าไม่สามารถใช้พุทโธได้ไม่ถูกเจริญก็ลองไปศึกษาหาดูวิธีอื่นวิธีในสติปัฏฐานสี่ก็ให้ใช้ร่างกายเป็นการเจริญสติเป็นเครื่องมือในการเจริญสติ หรือเป็นที่ตั้งของสติคือให้จดจอ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายในทุกอิริยาบถไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เฝ้าดูให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทำของร่างกายไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก็ตั้งสติดูที่ร่างกายเลยว่าทำให้ร่างกายอยู่ในอิริยาบถได้ กำลังนอนก็รู้ว่ากำลังนอนพอจะลุกขึ้นมาก็รู้ว่ากำลังลุกขึ้นมาพอยืนก็รู้ว่ายืนพอดินก็รู้ว่ากำลังเดินพอกำลังล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอาบทาแปงฟันหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวทำอะไรต่างๆก็ให้เฝ้าดูการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียว ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าจำเป็นจะต้องคิดก็ให้หยุดการกระทำของร่างกายแล้วก็ยืนคิดหรือนั่งคิดคิดให้พอถ้าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องคิดเช่นการวางแผนว่าจะต้องทำอะไรบ้างพอเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาเฝ้าดูการ เคลื่อนไหวการกระทรําของร่างกายถ้าต้องเตรียมตัวออกไปทํางานทําการก็เฝ้าดูการเตรียมตัวของร่างกายไปเวลาเดินทางก็เฝ้าดูการเดินทางของร่างกายไปเวลาไปทําธุระต่างๆก็เฝ้าดูการกระทำของร่างกายไปถ้าจะคิดก็คิดเท่าที่จําเป็นแต่จะไม่คิดแบบด้วยตัวคิดแบบเธอเจอ้เธอฝันคิดแบบ ไม่มีขอบไม่มีเขตคิดด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจำเป็นเท่านั้นพอไม่มีความจำเป็นต้องคุดก็เดินกลับมาอยู่ที่ร่างกายเฝ้าดูร่างกายต่อไงพอมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาตั้งตัวให้ตรงแล้วก็กำหนดดูลมหายใจเข้าออกที่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ดูที่จุดใดจุดหนึ่งที่สามารถเห็นการสัมผัสของลมได้เช่นที่ปลายจมูกเวลาลมเข้าลมออกนี้จะต้องออกที่ปลายจมูกจะมีความรู้สึกว่ามีลมสัมผัสอยู่ตรงนั้นก็จดจ่อเต้าอยู่ตรงนั้นไปลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้แต่ไม่ต้องวิ่งตามลมเข้าไปไม่ต้องวิ่งตามลมออกมา ให้อยู่จุดเดียวไม่ต้องการให้ใจเคลื่อนไหวให้ใจอยู่นิ่งๆอยู่ที่จุดเดียวเท้าดูมันไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมหยาบหรือลมละเอียดก็รู้หายใจสั้นหายใจยาวก็รู้แต่ไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมปล่อยให้ลมเป็นไปตามเรื่องของเขาใจมีหน้าที่รู้เพียงอย่างเดีย ไม่ใช่มีหน้าที่มาสั่งให้ลมละเอียดหรือหยาสั่งให้หายใจสั้นหรือหายใจยาถ้ามีการสั่งก็จะมีการทำงานของใจใจก็จะไม่สงบไม่ต้องการให้ใจทำอะไรเลยใจจะสงบได้ใจต้องรู้เฉยๆเพียงอย่างเดียวแต่แต่ว่าเราเท่านั้นแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ นี่คือการจเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิพอได้สมาธิก็จะได้ความสุขได้ความอิ่มได้ความพอที่จะสามารถมีกําลังที่จะต้านความอยากได้เพราะว่าอยากไปทำไมในเมื่อตอนนี้เรามีความสุขแล้วอยากไปดื่มไปบประทานขนมทำไมในเมื่อตอนนี้ใจเรามีความสุขแล้ว กำลัออกจากสมาี่มาความอยากที่ยังไม่ได้ถูกกาลายมันจะโผล่ขึ้นมาแต่เราสามารถใช้เหตุผลต่อสู้กับความอยากได้เพราะเรามีความอิ่มใจที่ติดค้างมาจากการนั่งสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีความอิ่มใจพอเกิดความอยากจะกินขนมอยากจะดื่มเครื่องดเราจะไม่ มีกำลังที่จะใช้เหตุใช้ผลต่อต้านความอยากได้เลยเพราะใจมันหิวนั่นเองเพอใจหิวพอมีผู้มาเสนอของให้รับประทานก็คว้าทันทีแต่ถ้าใจหิวแล้วถึงแม้จะมีคนเอาของมาให้ก็จะถามดูก่อนว่าเป็นยาพิษหรือเปล่ากินไปแล้วทำให้ใจทุกข์รู้สุกค่ะแน่ พอใช้ปัญญาพิจารณาถ้ากินแล้วถ้ากินตามความอยากแล้วมันจะทําให้ใจทุกข์ก็จะไม่กินเพราะว่าตอกินตามความอยากแล้วมันก็จะเกิดความอยากใหม่ตามมาจะต้องกินอยู่เรื่อยๆต้องดื่มอยู่เรื่อยๆทั้งที่ไม่จําเป็นจะต้องดื่มหรือกินเพราะร่างกายนี้ก็น้ําหนักก็เกินไปแล้วอาหารก็มากอยู่แล้วกินเข้าไปทําไม กินให้ไข่กินให้ร่างกายร่างการบอกมไม่ต้องการแล้วพอแล้วน้ำหนักเกินนะกินให้ไข่ก็กินให้ตันหาและกินให้ตันหาก็ เ, าเป็นการสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ผู้ที่มีสมาธิจะสามารถพิจารณาเพื่อที่จะเห็นโทษของความอยากนะ แล้วก็หยุดความอยากแล้วไม่ทาตามความอยากแล้วเพราะไม่จำเป็นจะต้องทนตาเพราะใจะมีความอิ่มที่ได้มาจากสมาธิอยู่แล้วแต่ถ้าใจไม่มีสมาธิไม่มีความอิ่มมันหิวพอใจ ย, ยื่นอะไรมาให้ก็จะเอาทันทีเอาขนมนมาให้ก็รับทันทีเอาเครื่องดื่มมาให้ก็รับทันทีนนทั้งที่ร่างกายบอกว่าหมอห้ามดื่มหมอห้ามรับประทาน แต่ใจไม่ยาวตันใจบอกในเรื่องของคุณฉันต้องการจะดื่มฉันต้องการจะรับประทานส่วนง่าตายคุณจะไปรับโรกภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของตงาาความอาความอยากมันไม่สมใจน่ากายจึงต้องรับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้ามาพอไม่สามารถเบะใจไม่ให้ทาํทาตามความอยากได้ ผู้ที่จะเบิกใจไม่ทําตามความอยากได้ก็คือสติสมาธิปัญญานนี้เท่านั้นถ้าเราไม่มีสติสมาธิปัญญาเราจะไม่มีความสามารถที่จะดับความอยากต่อสู้กับความอยากต่างๆได้แล้วความอยากนี้มันก็จะมาสร้างเหตุสร้างปัญหาให้กับร่างกายสร้างความทุกข์ให้กับใจอย่างที่มนุษย์เราทั้งหลายกาลังเป็นกันอยู่ในทุกวันนี้ อยู่ดีกินดีก็ทุบไปแบบเพราะกินมากเกินไปกินตามความอย า, มากเกิดงานกายนี้เป็นโรคอ้วนขึ้นมามีโรคภัยต่างๆตามมาโรคไขมันอุดตันโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจก็เกิดมาจากการอยู่ดีกินดีนั่นเองอยู่ดีกินดีมากเกินไปมากเพราะความน่าของ ปันหาความอยากถ้ามีธรรมะแล้วอยู่ดีกินดีก็จะมีขอบมีเกลิ่กินตามความต้องการของร่างกายจะไม่กินมากจนเกินไปจะไม่มีปัญหานี่คือเรื่องของความทุกข์ที่เกิดจากความอยากในการดับทุกข์ด้วยการใช้คําสอนของพระพุทธเจ้า มาเป็นเครื่องมือศึกษาวิธีการดับทุกข์แลนน้วก็นําเอาไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนให้เราสลัการใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือในการหาความสุขอย่าไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะเอาเงินมาซื้อความสุขตามความอยาก ต, าตา่ตางๆเราจยากซื้ออาหารหรือสิ่งที่จําเป็นต่า การดำรงชีพนั้นที่ไม่ถือว่าเป็นทุกเป็นภัยแต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตของความพอดีคือความต้องการของร่างกายถ้ามากเกินไปก็ ก, า ก, กลายเป็นกิเลสได้เช่นตินมากเกินไปใช้เสื้อผ้ามีเสื้อผ้ามากเกินไปมีบ้านราคาแพงเกินไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ด, ด้วยราคา ที่แพงเกินไปเกินเหตุเกินผถ้าไม่ได้ไปแก้ไปป้องกันไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดหรือตายได้จะ ร, รักษาด้วยเงินว่านเนื้อรักษาไม่อด้สามสิบบาทถ้ามันจะหายมันก็หายเหมือนกันถ้ามันไม่หายมันก็ไม่หายเหมือนกันดินถ้าต้องใช้เหมือนเท่าก็ให้ใช้เพื่อที่จะเยียวยาดูแลรักษาร่างกายเท่านั้น ถ้าใช่แบบนี้ก็ไม่ต้องใช้มากเมื่อไม่ต้องใช้มากก็ไม่ต้องหามากเมื่อไม่หามากก็จะมีเวลาที่จะมารักษาศีลได้มาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้สามารถไปหยุดงานได้ไปอยู่วัดได้ไปปฏิบัติธรรมได้ พอปฏิบัติได้ผลก็อยากจะปฏิบัติมากขึ้นต่อไปก็ไม่ต้องทำงานก็ได้ไม่ต้องหาเงินก็ได้ถ้าไปบวชได้หรือถ้ามีเงินที่จะสนับสนุนในการปฏิบัติก็ไม่ต้องทำงานมีเวลาที่ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ถ้าอยากที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไป จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่เพราะผู้ที่สร้างความทุกข์นี้เขาปฏิบัติอย่างเต็มที่เขาสร้างอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลักมานี้อวิชชาปัจจยาสังขารานี้เริ่มทํางานาทันทีพอเห็นอะไรก็เกิดความอยากทันทีดังนั้นถ้าเราอยากจะทําลายผู้ต่อสู้ที่ทํางานตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลัก เราก็ต้องทํางานทําหน้าที่ของการต่อสู้ตั้งแต่ติ่นจนหลับเช่นเดียวกันาการจะทําหน้าที่นี้ได้ก็ต้องอยู่แบบนักบวชไม่ต้องทําหน้าที่อย่างอื่นเพราะหน้าที่อย่างอื่นก็จะกลายเป็นหน้าที่ของการส่งเสริมข้าศึกสับปูคือการหาความอยากไม่ได้เป็นการที่จะมาทําลายข้าสึกสับปูแต่ หน้าที่แบบของนักบวชนี้เท่านั้นแหละที่จะเป็นการทำหน้าที่เพื่อทำลายก้าวศัิ์สิอยู่ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะหมดทุกข์หมดสุขหมดหมดโศกหมดภัยเราต้องอยู่แบบนักบวชให้ได้ต้องปฏิบัติแบบนักบวชต้อง ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลัเบื้องต้นก็จะเรินสติแล้วก็ทำใจให้สงบสงบขั้าหน้าก็อาจจะสงบเดียวเดียวเรียกว่าคั้ิกะสมาธิก็ต้องพยายามจะเริสติเพิ ม, มากขึ้นไปสติมีกำลังมากเท่าไรความสงบก็จะนานขึ้นไปเรื่อยๆจนต่อไปนี้จะสามารถสงบได้แทบทั้งวน เวลาไม่สงบก็กลับเข้าไปในสมาธิเวลาออกจากความสงบมาก็ใช้ปัญญาสอนใจให้ทำลายความอยากต่างๆที่จะมาทำลายความสงบทำนี้ไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่วายในใจ พอไม่มีความอยากหนักหนืออยู่าในใจก็จะไม่มีสิ่งที่จะมาทำลายความสงบความสุขของใจใจก็จะสงบจะสุขไปตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธินี่นหะคือผลสุดท้ายของการปฏิบัติใจจะสงบตลอดเวลาการเจริญสติสมาธิปัญญาก็จะไม่จำเป็นจะต้องเจริญอีกต่อไป เพราะเป็นเหมือนกับการรับประทานยารักษาโรคภัยไข้เจ็บสติสมาธิปัญญานี้คือธรรมโอสถที่จะมารักษาโรคของใจคือความทุกข์ต่างๆความไม่สงบความวุ่นวายใจต่างๆพอความทุกข์หายไปหมดความวุ่นวายใจหายไปหมดเหลือแต่ความสุขความสงบอยู่เพียงอย่างเดียวก็ไม่รู้ว่าจะต้อง นประทานยาไปทําไมไม่รู้จะต้องเจริญสติสมาธิปัญญาอีกต่อไปไปทําไมเพราะว่าไม่มีไม่มีสิ่งที่จะให้สติสมาธิปัญญาทําลายแล้วนั้นเองเหมือนกับยารักษาโรคของร่างกายแล้วประทานเข้าไปเพื่อทําลายเชื้อโรคที่ทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ปวยพอเชื้อโรคถูกทําลายไปหมดแนะล้วโรคภัยไข้เจ็บ หายไปหมดแล้วน่างกายเป็นปกติสุดแล้วจะรับประทานยาไปทำไมไม่มีใครรับประทานยาพอหายจากโกครควายใกล้เจ็บแล้วก็หยุดรับประทานยากันั่นเลยการปฏิบัติธรรมก็เป็นเหมือนกับการรับประทานยาพอความทุกข์ภายในใจหายไปหมดแล้วก็ไม่มีการจาเป็นที่จะต้องรับประทานยาไม่ต้องปฏิบัติต่อไป ถ้าจริงมากเกียรติกันตอนนั้นว่าผู้ศรีตังรอมมาจาเรียนกิจในพรมกิจในพรมประจำนี้ได้เสร็จสิ้นแล้วไม่มีกิจอันยิ่งอันที่จะต้องทําอีกต่อไปกิจอื่นที่ยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วทําไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะทําให้ <c oughs> ความสุขที่ได้มีมากไปกว่านี้แล้วไม่สามารถที่จะทําให้ทุกมัน หายไปมาก่ปกว่า น, นี้ได้เพราะมันไม่มีแล้วมันถึงศูนย์แล้วจะไปทําให้มันมากกว่าศูนได้อย่างไรนี่แหละผู้ปฏิบัติทําพอถึงจุดนั้นแล้วจะรู้ภายในย์ของตอนเองรู้ว่าจิตของตนได้เสร็จแล้วไม่มีจิตไม่ต้องเจริญสติไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญปัญญา แ, แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามีอยู่ตลอดเนวลา แต่ไม่มีจะตามจจำเป็นที่จะต้องใช้หมันถ้าจะใช้ก็ใช้แต่เฉพาะในกิจที่คอยดูแลรักษาร่างกายไปเท่านั้นเช่นจะเดินก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็ mm hmm. เดี๋ยวก็เดินชมสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้ได้ mm hmm. แต่ไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะมาต่อสู้มาฆ่ากิเลสกันหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจจะใช้ปัญญาก็ใช้เพื่อที่จะ ดูแลรักษาร่างกายหรือจะใช้ปัญญาไปเพื่อสั่งสอนผู้อื่นอย่างพ ร, ระพุทธเจา้าก็ยังใช้ปัญญาถ้าอารหันสาวกท่านก็ใช้ปัญญาเวลาเผยแผ่ธรรมท่านจะ อ, อะไรมาเผยแผ่ถ้าไม่เอาปัญญามาเผยแผ่เวลาแสดงธรรมท่านก็มีสติอยู่กับการแสดงธรรมพูดไปแสดงด้วยเหตุด้วยผลไปจนกว่าจะเสร็จ แต่แล้วก็อยู่ทุกข์ไปก็ยังใช้อยู่แต่ไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือมาดับความทุกข์ภายในใจแต่เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกหลังจากที่พรุทธเจ้าได้ทรงตัดสัตวแโลละพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้สติสมาธิปัญญาเพื่อมาดับความทุกข์ในก้าวถ่ายของพ่อองค์เอแต่ใช้ในการวินิจฉัยว่าควรจะเผยแผ่ธรรมะต่อไปหรือไม่ เผยแผ่ธรรมะให้แก่จัดโลกหรือไม่ในเรื่องต้นก็ทรงมีความท้อ ท, ทัศนเพราะทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยากลําบากสําหรับมนุษย์ปุตุชนทั่วๆไปที่จะปฏิบัติตาได้แต่หลังจากใช้เวลาวินิจฉัยก็ทรงเห็นว่ามนุษย์ปุตตุก็ไม่ใช่มีแต่ปุตุชนมนุษย์ปุตุชนก็มีหลายระดับมือนกัน ระดับที่มีอินทรีย์ที่แลกล่กที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะน้อมเอาคําสอนของพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้ก็มีก็คือพวกนักบวชทั้งหลายที่มีศีลแล้วมีสมาธิแล้วได้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนะแต่สิ่งที่เขาไม่มีก็คือปัญญาที่จะมาใช้ในการแก้โมหะความหลงเขาไม่มีอนิจจทุกขันธ์ตาง เขาไม่มีอายุยืนสัตย์สิมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองคเดียวที่มีที่รู้ที่เห็นขอพ่อพ่อก็เลยส่งมุ้งไปสั่งสอนทั in in ่วที่เป็นนักบวชก่อนที่หลังจากได้ตัดเชื้รคแล้วสองเดือนได้เวลาต่งตาวักผ่อนจิตใจพักผ่อนพระวรกายหลังจากที่ต้องเหนื่อยยากมากับการปฏิบัติเสวยวิมุติสุขอยู่สองเดือน จึงได้ทรงตัดสินพระไถว่าจะประกาศพระธรรมคำสองตรสัตว์โลกก็เลยมุ่งไปสู่พระปัญจวัคคีที่เคยเป็นสาวกติดตามที่มีศีลมีสมาธิแล้วแต่ไม่มีปัญญาก็าเลยไปโตรวพระปัญจวัคคีในวันเพ็ญเดือนแปดที่เรารู้จักกันว่าเป็นวันอาสาหาับุญชาทรงสแสดงพระปฐมเทศนา ทรงแสดงเรื่องของมรรคละอนิยสัจสี่ทรงแสดงเรื่องตายรักอนิจจงทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายทรงแสดงเหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากตัณหาท ร, รงแสดงมรรควิธีที่จะดับความทุกข์ใจละความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจด้วยการเจริญปัญญา ให้พิจารณาให้เห็นายรับอ น, นิจจ์ทุกฐานะตาพอทรงแสดงก็ญญปรากฏมีผู้ที่เข้าใจและบรรลุทำขั้นแรกได้ทันทีเลยรือพระอัญกรมัญญ า, า, านี่คือการใช้สติสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงดับสารู้แล้วได้ดับความทุกข์ภายในก็ทายของพระองค์ไปจนหมดเสีนแล้ว พระองค์ไม่ได้เอาไว้ใช้ไว้สําหรับมาดูแลรักษาใจของโพระองค์ต่อไปเพราะใจนี้หาจากโกาครคภัยไข้เจ็บก็เอาเอาสติปัญญาสมาธิที่เป็นธรรมโอสถนี้มารักษาโรคใจของผู้ื่นต่อไปผู้ที่ยังมีความทุกข์ใจอยู่ก็ส่งมอบอยานี้ให้พวกเรานี้กําลังได้รับมอบอยาจากพระพุทธเจ้าไป ให้เราเจริญสติให้นั่งสมาธิให้เจริญปัญญานี้ปัญญาที่พระเจ้ามอบให้กับพวกเราเพราะพวกเรายังมีเชื้อโรคอยู่ภายในใจยังมีกิเลสมีจันหาที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความม่นวายใจต่างๆอยังไม่รู้จักจบจากที่นี้อยู่ถ้าพวกเราน้อมเอาอยาที่พระเจ้ามอบให้กับพวกเรามารับประทานมาปฏิบัติต่อไป ใจของเราเพื่อจะหายจากความทุกข์ต่างๆแล้วเราก็จะได้ทำหน้าที่เป็นทาสาวของพระพุทธเจ้าต่อไปนำเอายาของพระพุทธเจ้ามามอบให้แก่ผู้ที่ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นี่คือการถ่ายทาอดยาของพระพุทธเจ้ายิการเริ่มกระรรมาตั้งแต่วันเพ่นเดือนแต่ เมื่อ 2,500 กลัาปีาแล้วแล้วก็มีผู้รับยานี้ไปรักษาโรคของตนพอ ร, รักษาหายแล้วก็เอาอยานี้ไปเผยแพ่ให้แก่ผู้ผู้ที่รักต่อก็ไปเอาไปรับประทานเอาไปปฏิบัติจนหายแล้วก็เอาไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ก็ทำกันอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่อง อย่างในสมัยปัจจุบันนี้ก็หลวงปู่มั่นก็รับมาจากหลวงปู่สาวศึกษากับหลวงปู่สาวแต่แล้วพอท่านหายแล้วท่านก็สอนลูกศิษย์ลูกหาที่ไปศึกษากับท่านเช่หนหลวงปูแ่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟ้านูบาอาจารย์ต่างที่เรากราบวาหา้บูชาท่านก็เป็นคนเหมือนพวกเราคนที่มีความทุกข์มีกิเลสตัณหา แต่ท่านเป็นคนที่เชื่อฟังเวลาได้ยามาก็รีบรับประทานไม่ใช่มานั่งเฝ้าดูตัดสินใจว่าจะกินดีไม่กินดีเหมือนอย่างพวกเรานั่งคิดจะทำทานดีไม่ทำทานดีจะรักษาสินดีไม่รักษาสินดีจะไปอยู่วัาดีไ ม, ไม่ดีทำไมไม่ดีกินซะยาวิเศษให้มากินแป๊บเดียวก็จะหายปุ๊บตไม่เอา มานั่งต่อรองกันข อ, อเดี๋ยวอยู่กับลูกก่อนเป็นห่วงลูกมะกห่วงแฟนมากหน่วงสมบัติ่ากห่วง น, นู่นห่วงนี่เราไม่มีเวลาที่จะไปกินยาสักทีโลกมันเลยไม่ไม่หคนที่เขาไม่มีอรอลีพอก็ได้รับยาว่ะเขาสระโดกเลยเขารับมากินเลยฉละหมดเลยเงินทองข้าวของมีเท่านหย่อมให้ก็หนึ่งไปเลยมีงานมีการกลาออกไปเลย เราจะรอสติสมาธิปัญญาไปรักษาสี่หน้มันบ่อสุดทำอย่างนี้ไปมันไม่นานมันก็หายเพราะกินยาอย่างต่อเนื่องเราไปรับยาจากหมอแล้วไม่กินตามที่หมอสั่งเลยหมอบอกให้กินวันละสี่เมื่อพี่เราเล่นกินแค่สี่วันครั้งหนึ่งเมื่อไหร่มันจะหายนะอย่าทาแบบนั้นต้องทาตามหมอสั่ง หมอบอกให้กินมันมาะสี่ครั้งตามเวลาหลังอาหารและก่อนนอนอก็ต้องทำอย่างนั้นโรคมันถึงจะหายได้ไม่ใช่สี่วันกินสักครั้งหนึ่งกินเพื่อความเกลงใจหมอคอมนหมอถามว่ากินหาป่าจะได้บอกจทีแล้วทําทไมไม่หาอนะเราต้องขวนขวายเราต้องเชื่อปังจต า, างคำว่าเชื่อคือต้องเชื่อปัง ไม่ใชเชื่อแบบดืเชื่อแบบเชื่อแบบดืไม่ได้ว่าเชื่อปังพระพุทธเจ้ามอกให้ทำอะไรต้องทําตามทําให้มากทําให้เต็มที่ให้ได้ถ้าทําได้เต็มที่อย่างที่พพุทธเจ้าได้ทรงกระทำผลมันก็ต้องเต็มที่อย่างแน่นอนถ้าไม่ทําเต็มที่ผลมันก็ไม่เต็มที่ดังนั้นอย่าไปโทษใครเราได้ยามาแล้วกันทุกคนถ้าเราไม่หาจากโกาครคภายไข้เจ็บก็เพราะเราไม่กินยา เราไม่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรง ส, สงั่งสอนเท่านั้นเองคนที่กินยาคนที่ปฏิบัติตามเขาก็บรรลุกันเขาต้หายจากโรคภัยไข้เจ็บหายจากความทุกข์ใจกันอยู่แค่นี้เองไม่ได้อยู่ที่ไห น, นอยู่ที่การกินยาหรือไม่กันหรือไม่กินยาอยู่ที่การปฏิบัติธรรมโอสถหรือไม่อยู่ที่การรักษาสีนจเรญสมาธิจเรญสติสมาธิปัญญาหรือไม่เท่านั้นเอง ถ้ามีการเจริญวิมุตติก็ต้องเป็นผลที่เกิดมาเติดขึ้นตายมาอย่างแน่นอนวิมุตติก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหายจากโลกของความทุกข์อโลกภัยนของใจงหายไปหมดเพราะความทุกข์หายไปหมดด้วยยาของพระพุทธเจ้า น, นี้อดัง น, นั้นขอพวกเราพยายามรีบเร่งพยายาม ข่มขูจิตใจบังคับจิตใจเราให้กินยานี้เสียเพราะเวลาของเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวหมดเวลาแล้วก็จะไม่สามารถกินยานีได้ต่อไปแล้วอีกเมื่อเมื่อไหร่ก็จะไม่รู้ว่าจะได้เจอยาแบบนี้อยนานๆจะได้มีพระพุทธเจ้ามาเกิดสักครั้งแล้วโอกาสที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และพบกับพระพุทธเจ้าหรือยาของพระพุทธเจ้านี้มันมันยิ่งยากกว่า อีกหลายเท่าเดียกันตอนนี้เราได้โอกาสอันเลิศอันประเสริฐแล้วเป็นโชคเป็นโชคมหาศาลของเราแนละ้วเป็นโอกาสที่เราจะสามารถรักษาใจของเราให้หายจากความโชวได้แนละ้วถ้าเราไม่ปฏิบัติก็ไม่มีใครจะช่วยเราได้ต่อให้เราท่องพุทธังทำมังสามังสามานนักระฉามนี้ไปจนวันตายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะเพราะสารณะนัมีเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการศึกษา นั้นศึกษาสังเทศสังธรรมแล้วนําไปปฏิบัติแล้วเราจะได้พุทธธรรมธรรมสังฆัรรมสันนประฉามินี้คือการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เข้าด้วยวาจาวาจานี้เป็นเพียงการแสดงเสีตนอารมณ์เท่านั้นแต่การจะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เป็นสานะที่พึ่งของเรานี้ต้องเข้าด้วยการศึกษาและการปฏิบัติอขอให้พวกเรา พยายามกันทากั น, กนเดินมาอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปพรุ่ง น, นี้อาจจะไม่มีสำหรับเราก็ได้ตอนนี้เรายังปฏิบัติได้รีบปฏิบัติกันอย่าไปเสียดายกับอะไรต่างๆในเรื่องนี้เพราะมันก็ต้องจักเราไปอยู่ดีมันอยู่กับเรามันก็ไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจให้กับเราได้แเราไปอยู่กับมันทํา ม, มันไม่ไเป็นพื่อนของเรา ที่พึ่งของเราก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความลบทุกสัต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสึ้นไปการแสดงก็ตาสมควรแก่เวลาจึงขออนุติไว้เพียงเท่านี้ขออนหนมาให้ความ ยาถาวาริวาฮาปูราปาริปุเรติสากลังเอวเมวะอิโตทินางเตตานางอุปการปติอิช an ิตังปฏิตังตุลังทิปพเมวะสันิจตุสาเพปุเรตุสังกะปาจันโทปนาระโสยทถามิจโธติ ทระโสยท่าสัพพิติโอวิวัจจันสะพรโกวินาสตุมเตหะวโทตระยสุขีทีขาโยโภวะภิวาธนสีลิศนิจจวุธาปจามิโนจตารโอธมาวะธาติอายุวะโนสุขัง คำถามก็คืออยากจะถามว่าคือเคยได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับคนที่สามารถมีจิตติดต่อกับเหมือนกับว่าเทพหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะแล้วก็คือบางทีก็จะมีอภิษหานคือหมายความว่ามีการทรงเจ้า แบบนี้ค่ะไม่ทราบว่าเรื่องเหล่านี้มีในทางพุทธศาสนาหรือเปล่าคะคือเรื่องของจิตใจนี่มันมีความสามารถพิเศษที่บางท่านอาจได้ศึกษาและเจริญมาเรียกว่าวิชาพิเศษคือจิตนี่สามารถติดต่อกับจิตโดยตรงได้โดยไม่ต้องผ่านร่างกาย เช่นพระพุทธเจ้านี้ก็สามารถติดต่อกับเทพเทวดาที่ไม่มีร่างกายได้เช่นแม่ของพระพุทธเจ้านี้ก็หลังจากคลอดพระพุทธเจ้าได้เจ็ดวันก็สิ้นพระชนนแล้วพอพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สสบหปีต่อมาก็ทรงนึกถึงพระคุณของพระมารดาก็มีพลังจิตที่สามารถติดต่อกับ จิตของพระมานดาที่ตอนนั้นเป็นเทพอยู่ได้สามารถติดต่อคุยกันสั่งสอนธรรมะได้จนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่คือเรื่องของความสามารถพิเศษที่ผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านจะสามารถมีได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีกันทุ ก, ทกคนไป บางคนปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีความสามารถพิเศษอันนี้แต่ความสามารถพิเศษอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือจําเป็นในทางการปฏิบัติเพื่อเพื่อการดับความทุกข์ใจพระพุทธเจ้าจึงไม่ค่อยให้ความสําคัญกับความสามารถพิเศษเหล่านี้เพราะว่ามันอาจจะทําให้หลงได้ความสามารถพิเศษเหล่านี้ไม่มี ความสามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้ความความสามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้ก็คือการมีสติมีสมาธิและมีปัญญาท่านจึงสอนแต่เรื่องสติสมาธิปัญญาเป็นหนักส่วนผู้ที่ได้มีตาทิพย์หูทิพย์รู้อดีตรู้อนาคตนี้มันก็เป็นเพียงความสามารถพิเศษอย่างที่เราสมัยนี้มีกัน ถ้าสมัยนี้เราเปรียบเทียบกับคนยุคก่อนนั้นเรามีความสามารถพิเศษมากกว่าเขาเยอะแยะเราสามารถติดต่อกันได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปหากันมีโทรศัพท์มือถือการติดต่อกันได้มองหน้ากันได้ผ่านทางการถ่ายภาพอะไรต่างๆแต่ความสามารถพิเศษเหล่านี้มันก็ไมไ่มาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ความทุกข์ของคนสมัยก่อนกับความทุกข์ของเราสมัยนี้ก็มีเหมือนกัน ของเราอาจจะมีมากกว่าเขาเสียด้วยซ้ําไปเพราะเรามีของมากก็เกิดตันหาความอยากมากพอยิ่งมีความอยากมากเท่าไหร่ก็จะเกิดความทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นคนโบราณเขาไม่ค่อยมีอะไรที่จะอยากได้กันเพราะมันไม่มีคนผลิตออกมาเขาก็ไม่ค่อยทุกข์กันเขาก็อยู่แบบชาวนาชาวไร่ไปได้ข้ามมืดเขาก็นอนกันไม่ต้องออกไป ไป ต, ตามแหล่งบันเทิงต่างๆไปเล่นไปดูไปฟังอะไรกันต่างความจริงมีมากมันแทนที่จะดีมันกลับจะกลับให้มีความทุกข์มากพระพุทธเจ้าท่านถึงไม่ค่อยอยากจะให้พวกเราไปให้ความสำคัญกับความรู้ความสามารถพิเศษเหล่านี้เพราะว่ามันจะทำให้ใจเราหลงระเริงทำให้ใจเราเกิดตัณหาความอยากเพิ่มมากขึ้นเราจะทาให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นถ้าถ้าใครมีก็ปล่อยเขามีไปถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องไปกังวลไม่มีก็สามารถที่จะปฏิบัติดับทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีอาจจะไม่ได้ปฏิบัติพ่โอโมจะจะไปทำเรื่องความรู้ความสามารถพิเศษเช่นคนมีตาที่ผูทิพก็เลยไม่สนใจที่จะปฏิบัติเป็นหมอดูดีกว่าหมอดูมีรายได้คนเข้ามา ให้เงินให้ทองเยอะแยะสบายเป็นอาชีพไปถ้ามาบวชมาปฏิบัติต้องอยู่แบบขอทานอาจจะมีความสามารถพิเศษเลยเป็นกลายเป็นอุปสรรคไปแทนที่จะเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนในการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์กลับกลายเป็นอุปสรรคไปดังนั้นเราอย่าไปสนใจอย่าไปให้ความสำคัญใครเขาจะรู้ก็ปล่อยเขารู้ไป เรามีความทุกข์เราไม่ต้องไปหาเขาหรอกเพราะความทุกข์นี้เขาแก้ให้เราไม่ได้เราต้องแก้ของเราเองเพราะความทุกข์มันอยู่ในใจของเราบางคนไม่รู้ก็ทุกข์เพราะกหวงอนาคตว่าจะอยู่อย่างนี้ไปได้ไดขนาดไหนจะรวยอย่างนี้ไปได้นานสักแค่ไหนจะจนเมื่อไหร่หรือเปล่าก็ไปหาหมอดูดูให้หมอบอกว่าข้างหน้าอนาคตเป็นไงเรื่องอนาคตนี้ไม่มีใครเข้ารู้หรอก แม้แต่หมอดูเองยังไม่รู้ว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่แต่ความอยากของเรามันทำให้เราอยากรู้อยากถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเรายอมรับความจริงว่ามันก็ต้องตายสักวันหนึ่งแ่ะจะรวยขนาดไหนจะใหญ่ขนาดไหนมันก็ต้องตายอยู่ดีไม่ว่าหมอคนไหนจะมาว่าอย่างไรมันก็ไม่หนีความจริงจากอันนี้ไปได้ถ้าเรายอมรับความจริงอันนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปหาหมอดูให้เสียเวลา พอหมอเขาจะพูดเอาใจเราบโอ้ยคุณจะมีอปุปสรรคนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะรุ่ ง, ง, งเรืองเจริญขึ้นมาพูดอย่างนี้ทุกไลนะ์เนี่ยพูดให้กำลังใจนะฉะนั้นเอาความจริงดีกว่าต้องตายด้วยกันทุกคนต้องเจ็บต้องแก่ด้วยกันทุกคนไม่ว่าจนไม่ว่ารวยไม่ว่าใหญ่หรือเล็กต้องเป็นเหมือนกันหมดให้คิดอย่างนี้แล้วใจจะสบายพอใจตรงได้แล้วใจจะไม่ทุกข์ พอไหมอย่างมีอะไรอีกไหมใครอยากจะถามข้างหลังค่ะแสดงว่าชาติเราได้กลิ่นหอมต่างๆอะไรนี่ก็เฉยๆไว้ก็รู้เฉยๆด้วยเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเพรอะเดี๋ยวมันก็หายไป ถ้าเราชอบเดี๋ยวเวลาหายไปก็เสียใจเสียดายถ้าไม่ชอบกินเหม็นก็ทุกข์ใจขึ้นไหอีกนต้องเฉยๆทำใจเป็นอุเบกขาไว้ถ้ามันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เหม็นก็ต้องทนรับกิ่นไปหอมก็รู้รับกิ่นไปเดี๋ยวมันเหม็นหรือหอมเดี๋ยวมันก็จางหายไปของเชื่อเปล่งไปบอกอะไรเขาหรืออะไรยังไงไปบอกอะไรก็เหมือนกับคุณเดินไปที่กองขยะแล้วได้ดมกลิ่นเหม็นแล้วบอกให้เธอเหม็นแล้วเกิน เราทำไมไม่หายไปเอาไปสั่งมันไม่ได้ท่านไว้พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเราจะได้ไม่ทุกข์ถ้าไปอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะทุกข์ขึ้นมาพระอาจารย์คะอีกข้อค่ะคื อ, อถ้าเราทราบว่ามีคนเจ็บที่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วเราก็าผ้าไตรไปให้ เพื่อให้เขาได้ทําบุญก่อนครั้งสุดท้ายนี่เป็นสิ่งที่สามารถทําได้หรือไม่ควาได้แต่ไม่ได้บุญเอะเพราะมันไม่ได้ออกมาจากตัวเขาเองมันต้องออกจากเจตนาลมของเขาเขาอยากจะทําบุญถ้าเขาอยากจะทําบุญอย่างเงี้ยเขาจะได้บุญแต่อยู่ดีๆเราไปให้พระเขาบอกถวายพระถวายพระสิเขาก็ถวายแต่เขาไม่รู้เรื่องเพราะพราไม่ใช่ของเขาเงินไม่ใช่ของเขาเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาได้สละได้ ได้ได้ตรงเลยต่สิแต่ถ้าเราแต่ถ้าเรายกให้เขาคือว่าเป็นจะแว่ายกให้เขาเป็นเจ้าของนี้เลยได้ไหมคะ <c oughs> คือว่ามันต้องให้แบบที่ไม่ใช่ให้แล้วเธอเอาไปทำบุญนะนี่มันก็ไม่ได้เป็นเจ้าของอยู่ดีต้องให้แล้วแล้วแต่เขาก็จะไปโยนทิ้งหรือใช่จะไปทาบุญก็เรื่องของเขาเนะี่ย มันต้องออกมาจากใจของเขาว่าเขาอยากจะทำบุญหรือไม่อยากจะทำบุญไม่ใช่เอาไปเอาไปนะเราไปทำบุญนะอย่างนี้มันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะมันไม่ได้เป็นของเขาเขาไม่รู้สึกว่าเขาสูญเสียอะไรไปมันต้องมีความรู้สึกสูญเสียในสิ่งที่เขารักไปเราก็ยินดีที่จะให้ถ้าเขาให้แบบนะั้นแล้วใจเขาจะสงบใจเขาจะมีความสุขเขาก็พร้อมที่จะยกร่างกายของเขาให้สับปเปลือกไปได้ หรือถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนคำพูดหมาว่าเราขอเอาไปทําบุญเพื่อให้เธอได้บุญกับเราให้เธอมอนทําบุญกับเราได้ไหมคะ ไ, ได้ทั้งนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครได้ใครไม่กินก็ใครไม่ได้ถ้าเขาไม่อยากจะทําบุญก็อย่าไปไปบังคับหรือไปทําอะไรเนะี่ยมันก็ไม่ได้หรอกเพราะใจเขาไม่ไม่น้อมมาทางนี้เขายัางรักยังห่วงโดยเขาไม่เชื่อว่าทําแล้วได้อะไรเขาก็ไม่อยากจะทํา คือยงคิดว่าเผื่อว่าช่วยขนาดจิตหนึ่งเขาคิดเป็นกุศลนะคะก่อนที่จะสิ้นมันคิดแต่กุศลมาตลอดแล้วมันอยู่เดือมันจะเป็นกุศลขึ้นมาได้ยังไงนอกจากพระพุทธเจ้านี่อาจจะทําได้อย่างมันองค์คุลิมานี่เป็นาใจเป็นอกุศลแต่พระพุทธเจ้าพูดธรรมะแทางใจก็าครับมันก็พลิกใจเขาได้มันต้องพลิกใจก็แบบนั้นคุณทําได้หรือเปล่า จากคนที่ไม่ชอบทำทางแล้วพูนปั๊มให้เขาอยากจะทำทางขึ้นมาเลยทำได้ป่ะแต่ว่าทุกคนต้องมีพื้นฐานของการทำบุญมาในการก่อนถึงจะทำให้ตรงนี้ทำได้ง่ายขึ้นถ้าเคยทามาแล้วมันก็ง่ายถ้าไม่เคยทามามันก็ยากี๋่ไปยุ่งกับคนอื่นแล้วยุ่งกับตัวเองเถอะตัวเองก็ยังมีบุญต้องทำอีกเยอะแยะไม่ทาบุญของตัวเองไม่ทำ พยายามจะไปบังคับให้คนอื่นเขาทำบุญทีนี้ขอถามเรื่องภาวนาเลยครับคือโยมมักจะชอบนอนภาวนาเจ้ค่ะทีนี้ค่ะที่นอนก่อนนอนเนี่จะพยายามดูลมหายใจคือเรียกว่าเหมือนเดินลมปลาณเข้ากูรู้ออกก็รู้จนถ้ามันหลับไปทีทุกครั้งสังเกตดูว่าถ้าเหมือนเหมือนฝันอะมันออกไปมันชัดเจนมากเลยนะคะท่าที่ไปอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเน่ะเราเอ้ยนี่เรานอนอยู่นะไอ้ความสึกที่อยู่มันออกไปข้างนอกเนี่ยมันกลับเข้ามาภายในตรงนี้มันสะดุ้งเลยนะคะ มีต้องแก้ไขยงไงจ้าค ะ, ะก็อย่าไปนั่งอย่าไปนอนภาวนาถ้ <c oughs> จาจะภาวนาต้องนั่งเห็นไหมพระพุทธเจ้านั่งก็นั่งภาวนาที่ท่านนอนภาวนาก็ตอนที่ท่านตายท่านเหมือนว่านั่งมาแล้วค่ะแล้วก็นอนก็รู้สึกรู้ลงไปด้วยนะเออก็ไม่เป็นไรก็รู้ไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันก็ถือว่าเป็นเหมือนนอนห ล, หลับแล้วก็ฝันไปกันแล้วกันแต่มู้สึกมสะดุ้งแบบแรงมากเลยมัน กลับเข้ามามแสะดุ้งมันเป็นเรื่องจิตของเราเองมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการภาวนาเวลานอ น, นก็ต้องมีสติเวลาสะดุ้งก็ให้รู้เหมือนกับเราสัมผัสรับรู้อะไรแล้วก็ปล่อยมันไปรู้ว่าสะดุ้งแล้วก็จบไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปไม่ต้องไปเลือนเนื้อร้อนใจกับการสะดุ้งของมันให้รู้ว่านี่มันเป็นนิสัยของเราเป็นสันดานของเราเป็นส่วนหนึ่งของเราเทานั้นเอง เราห้ามมันไม่ได้สั่งมัไม่ได้ก็ให้พิจารณาลงไปที่ตายรักเสมอแล้วมันก็จะปล่อยได้แล้วถ้ามันว่านว่าบางครั้งเนี่ยไปสัมผัสกับวิญญาณที่อยู่รอบข้างตรงนั้นเหรอคะคือเหมือนก็เห็นเขาชัดเจนมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรก็เลยมาถามเขาเหรอคือเขาเฉยอ่ะเฉย เ, เขาไม่ต้องการอะไรเลยเขาต้องการจะดูเราเฉยเฉยนะก็ปล่อยเขาดูไปก็เลยบอกต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันนะอก็อย่างงั้ยแหละจะเอายังไงล่ะ พตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกั น, นก็ต่างคนต่างอยู่ไม่่ไมมันก็เหมือนกันอ่ะกายทิพย์กับกายหยามันก็เหมือนกันเลยมีใครถามอีกไหมครับไม่มีส่งมาให้เจียบไปช่วยส่งมให้คุณต่อไปก็จะมีคำถามทางอินเทอร์เนต็ตอ่านช้าๆนะใจเย็นฟังชัดๆไม่ต้องตื่นสนาม ข้าต่อไปเป็นคําถามจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะคําถามแรกจากคุณพิมพ์ อ, อนมีคําถามสองข้อนะคะแบ่งถามแยกทีละข้อข้อที่หนึ่งเคยได้ยินมาว่าอย่าไปยุ่งกับกรรมของคนอื่นถ้ายุ่งจะต้องรับกรรมของเขาคนละครึ่งแล้วหนูสงสัยว่าอย่างพี่บินบอลลูริสที่ช่วยคนมากๆจะไม่ต้องรับกรรมคนอื่นเยอะแล้วหรอคะเพราะเขาช่วยคนมาก ความหมายของคาว่าไปยุ่งกับกรรมของคนอื่นนี้มันอาจจะมีหลากหลายด้วยกันเราก็ไม่ทราบความหมายของคนที่ก็พูดว่าไม่ให้ไปยุ่งกับกรรมของคนอื่นนี่หมายความว่ายอย่างไรแต่การที่เรามีความเมตตาเราไปช่วยเหลือผู้ที่เ้าตกทุกข์ได้ยากนี่เราไม่ได้ถือว่าเป็นการไปรยุ่งกับกรรมของเขาเป็นการสร้างกรรมดีให้กับเราด้วยการสงเคราะห์ผู้อื่นอย่างนี้ทาได้ไม่เสียหาย แเช่นสามีภรรยาเขาทะเลาะกันแล้วเราพยายามที่จะไปประสานกันนี้อาจจะโดนกลับก็ได้ <c oughs> ไปพูดไปพูดมาเดี๋ยวแทนที่เขาจะเกลียดกันเขากลับมาเกลียดเราแทนก็ได้ <c oughs> อันนี้ต่างหากมันเข้าุณจะหมายถึงอย่างงั้นหรือเปล่าคำถามข้อที่สองนะคะแล้วเราสามารถจะช่วยได้ตอนไหนช่วยก่อนที่เขาจะเกิดกรรมหรือจะช่วย หลังเกิดกรรมหรือให้เฉยๆปล่อยวางไปเลยคะเพราะศาสนาสอนให้มีเมตตาแต่ไม่รู้ว่าเมตตาช่วงไหนถึงจำไม่ต้องพ่วงกรรมคนอื่น อ, อ๋อความเมตตาจะไม่มีกรรมพ่วงตามมา<อ>ก็าต้องรอให้เขาเดือดร้อนก่อน<ม>จนเขาเดือดร้อนไม่มีข้าวไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีที่อยู่อาศัยถ้าเราพอที่จะหาให้เขาได้เราก็หาให้เขาไปนี่เรียกว่าเป็นความเมตตากรุณาสมเค์ เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอย่างนี้ทำได้เมื่อมีเหตุการณ์หรือถ้าไม่มีเหตุการณ์ <c oughs> ก็ความเมตตาก็คือให้ผูกมิตรกันให้มีความรักสามัคคีกันเขาไม่เดือดร้อนก็จริงแต่เรามีของชายไม้สอยที่เหลือเยอะเกินไปเอาไปให้เขาก็ได้เช่นวันเกิดเขาให้ของขวัญเขาวันขึ้นปีใหม่ก็หาของขวัญมาให้เขา อย่างนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นการเจริญเมตตาเป็นการผูกมิตรทำได้ตลอดเวลาแล้วก็ทำไปตามกําลังตามความสามารถของเรามีมากมีน้อยเราก็ทําไปแล้วก็ทําตามความเหมาะสมของผู้รับด้วยถ้าผู้รับไม่ควรจะรับมากก็ไม่ควรให้มากผู้รับควรจะรับมากก็ให้เขามากอยู่ที่เหตุผลคนที่เขาทาประโยชน์มาก เขาต้องการปัจจัยมากนีเราให้เขามากได้แต่คนที่ไม่ได้ทำประโยชน์ไม่ได้ใช้เงินทองไปให้เขามากก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะเขาไม่ได้เอาไปใช้เขาเอาไปเก็บไว้เฉยๆหรือก็าอาจจะไปใช้ในทางที่ไม่ถูกก็ได้การช่วยเหลือก็ต้องดูทั้งผู้รับและผู้ให้ผู้ให้ก็ดูกำลังของตนผู้รับก็ดูกาลังของผู้รับว่าควรจะรับได้มากน้อยเพียงไร เเพื่่อจะไไดด้มกิควาาาาามมมเสสสียยยยหตไดด้ประโชน์อง่งงุคำถามต่อไปจากคุณสีบูนะคะมีญาติผู้ใหญ่ที่เขาลบติดเล่นการพ น, นับนบอลหวยเราจะมีกูสโลบายอย่างไรเพื่อให้เขาเลิกเล่นและเอาเงินและเวลาที่เสียไปมาทำบุญปฏิบัติธรรมโดยที่คำแนะนำของเราไม่ทำให้เขาโกรธตัดญาติกัน <laughs> ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> คงอย่าปล่อยมากกว่าถ้าเขาไม่สนใจที่จะเลิกเราไปขัดไปขวางเขาไม่ได้ไปพูดไปก็อาจจะทำให้เขาเสียอารมณ์ไปเปล่าๆคนพวกนี้ต้องรอให้เขามาปรึกษากับเราก่อนถ้าเขาไม่มาปรึกษาไม่มาถามเราว่าเอ๊ะเราควรจะเล่นกา ร, ระนันดีหรือไม่เราไปพูดก็เหมือนกับไปไปขวางเขา ไปขวางเขาแล้วแทนที่เขาจะเห็นบุญเห็นคุณกับเราเขาตัดจะเบื่อที่หน้าเราไม่ชอบเราได้ยั้นบางทีเราก็ต้องทําใจวางเฉยเรียกว่าอุเบกขาเมื่อเราไม่สามารถทำอะไรได้จะไปทุกข์กับเขากว็วุ่นวายใจไปเปล่าๆเพราะไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงเขาได้เราก็ต้องพิจารณาเขาว่าเป็นอนัตตาไปเข า, าเป็นสิ่งบุคคลที่เราไม่สามารถที่จะไป บอกไปสั่งให้เขาทําอย่างนั้นหรือทำอย่างนี้ได้เวลาเกิดผลก็เขาเป็นผู้รับผลไปคําถามต่อไปจากคุณอโศกพงประเทศการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์การทํานาจะเป็นการทําให้ศีลไม่บริสุทธิ์ไหมครับเพราะผมคิดว่าในการไถนาอาจไปโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อยในดินถ้าโดนก็คงจะไม่บริสุทธิ์แต่ก็คงจะไม่ ไม่ถึงกับร้ายแรงอะไรเพราะไม่มีเจตนาทาไปเพราะไม่มีไม่ได้ไม่รู้ไม่เห็นคําำถามต่อไปจากคุณนภัทรจารุสมบัติอะไรที่เห็นแตกต่างจากธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดหรือเปล่าคะถ้ามันแตกต่างจากที่พระพุทธเจ้าสอนมันก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิ ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ถูกต้องคำถามต่อไปจากคุณโกสมมิตราขณะเข้าคอร์สในวันที่สิบสภาวะธรรมที่เกิดจากการเพียนเวทนามากจนทนเกือบไม่ไหวแพ้ใจทุกบัลลังจบจนจะปิดคอร์สวันนี้แต่นึกได้ว่าทนอีกนิดเลยตายไปหน่อยก็จะหายปวดจิตตอนนั้นพยายามวาง ไม่ขัดไม่ขืนไม่ฝืนสภาวะยอมเนิ่นนานมองด้วยใจที่ศักแต่ว่าเวทนาตอนนั้นทรมานมากจนปวดที่เกือบขาดใจหายวับพอดีละครั้งตีว่าหมดเวลาจึงประจักษ์ใจว่าเวทนาก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้สะเทือนใจมากเจ้าคะ่ะอย่างนี้เป็นการเห็นที่ถูกต้องไหมเจ้าคะถูกต้อง ต้องเห็เอนว่าเวทนาเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุม บ, คบังคับไปสั่งให้เขาหายหรือไม่หายได้เขาจะอยู่ก็ต้องปล่อยให้เขาอยู่ไปเขาจะหายก็ปล่อยให้เขาหายไปแต่ใจเราต้องเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้เท่านั้นถึงจะไม่ทุกข์ถ้าเกิดความอยากให้เขาอยู่ก็จะทุกข์เช่นเกิดสุขเวทนาขึ้นมาก็อยากจะให้เขาอยู่พอเขาไม่อยู่ก็จะทุกข์ เวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาอยากจะให้เขาหายเขาไม่หายก็จะทุกข์แต่ถ้าทาใจเป็นกลางเฉยๆสักแต่ว่ารู้รู้ว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งแล้วเราจะทุกข์ไปเปล่าๆถ้าอย่างนี้ก็จะเรียกว่าถูกต้องเห็นเห็นใจรักถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นการเห็นธรรมต้องเห็นอนิจจังเห็นเขาไม่เที่ยงเห็นเขาเป็นอนัตตาเราไป ก้าวก่ในเรื่องของเขาไม่ได้ถ้าเราไปก้าวไก่แล้วเราจะทุกข์ต้องเห็นสามตัวนี้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจึงเรียกว่าเป็นการเห็นทมอย่างแท้จริงคำถามต่อไปจากคุณบีบอยไทยแลนด์เหตุใดคนเราเกิดมาแล้วเรื่องในอดีตชาติกับจำไม่ได้สักอย่างครับอย่ว่าแต่อดีตในเมื่อวานนี้จำได้เปล่า ความจำมันก็นิจังสัญญานิจนะแต่คนบางคนความจำดีเช่นพระอน น, นี่เมื่อเช้านี้ก็เลยเทศว่าท่านมีความสามารถในด้านความศึกษาจดจำสิ่งที่ท่านเรียนรู้มาคําสอนของพระเจ้าทั้งหมดที่ทรงสแสดงไว้ในสถานที่ต่างๆในพระอนนเป็นผู้จาได้หมดเลยเวลาทําการสังคายนาครั้งแรกนี้พระอ น, นุนเป็นผู้ทบทวน คำสอนทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าได้ไปทรงแสดงในสถานที่ต่างเพราะพระ อ, อนุนได้ขอพรจากพระพุทธเจ้าไว้ก่อนที่จะรับหน้าที่อุปถากว่าถ้าพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนแล้วพระอนุน์ไม่ได้ไปด้วยพระพุทธเจ้ากลับมาที่วัดจะต้องมาแสดงให้กับพระอนุน์อีกครั้งหนึ่งเพราะพระพนอนุนนี้ท่านมีความสามารถในการฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาและจดจาในสิ่งที่ได้ท่านได้เรียนได้รู้ได้จาได้ อันนี้มันเป็นเรื่องความสามารถพิเศษของของของคนบางคนก็ความจำดีบางคนก็จำไม่ดีคำถามต่อไปจากคุณออโต้ข้อที่หนึ่งทำไมถึงมีการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆได้คะพอมีเหตุมีปัจจัยให้มันเกิดมันก็เกิดนะิข้อที่สองจิตเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ อันนี้พระพุทธเจ้าก็พยายามที่จะไปศึกษาดูก็ไม่สามารถไปหาหาความจริงของจิตได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่และเกิดขึ้นได้อย่างไรเพรงตัดตัดสินก็ทยว่าไม่เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่เป็นเป็นสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่สำคัญก็ให้รู้จักวิธีรักษาใจไม่ให้ทุกข์เท่านั้นก็พอเพราะว่าจะรู้ว่าใจเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่อย่างไรก็ไม่ได้มาดับความทุกข์ใจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ให้ดับความทุกข์ใจที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นก็พอพอใจหายทุกข์แล้วใจจะเกิดมาอย่างไรจะจะมาอย่างไรเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นความสำคัญแต่อย่างใดคำถามต่อไปจากคุณสุวรรณีตันติดีเลิศข้อที่หนึ่งโยมได้มีโอกาสไปปีกวิเวกประมาณสิบวันในระหว่างนั้นได้มีพี่ๆขึ้นไปวิเวกด้วยแต่พี่ๆแจ้งว่าจะกลับก่อน ตั้งแต่วันที่พี่เขาบอกว่าจะกลับจิตของโยมก็วนเวียนที่จะกลับพร้อมๆกับพี่ๆจิตบอกว่าไปเปลี่ยนตัวแล้วกลับพร้อมกันเลยโยมเลยถามกับไปแล้วได้ประโยชน์อะไรแต่อยู่ที่นี่แล้วปฏิบัติได้ประโยชน์อะไรก็สู้กันอยู่ข้างในเป็นวันๆค่ะรู้สึกว่าจิตมันถูกบีบบังคับมากจนวันที่พี่เขาจะกลับจาได้ว่านั่งอยู่ที่โตะด้วยกัน จิตมันก็ยังไม่ยอมยังบอกอีกว่าไปเก็บกระเป๋าเลยทันอยู่แต่โยมก็บอกว่าไม่ระหว่างนั้นพี่เขาลุกจิตที่ถูกบีบมันก็เบามันเหมือนพลิกจากหน้าเป็นหลังมือทันทีเลยแต่ภาพที่เห็นตอนนั้นในจิตมันชัดมากเหมือนเห็นปลาที่อยู่ในน้ำใสามากจิตมันสบายยิ้มอยู่ข้างใน มันเหมือนกับว่าเราเห็นคนสองคนทะเลาะกันอยู่ข้างในแล้วจิตแล้วมีคนที่สามดูอยู่ค่ะขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะให้ชี้แนะอะไรนะ <c oughs> ก็ทำถูกแล้วเนี่ยคือดูจิตแล้วก็พยายามหาเหตุหาผลมาต่อสู้กับความอยากนี่ถ้าทำใจให้สงบได้ก็จะหมดปัญหาแต่ ตอนนั้นมันถูกมันมัวแต่ไปคิดอยู่กับเรื่องกลับไม่กลับดีมันก็เลยวุ่นวายอยู่ตรงนั้นถ้าขันกลับมาจเจริญสติทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วมันก็รู้ว่าอยู่ดีกว่าไปแต่ก็ยังดีที่ว่ายังมีความอดทนที่จะดูแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลพิจารณาไปจนในที่สุดความอยากมันก็ยอมแพ้ไปใจก็สงบพลิก จ, จากหน้ามือเป็นหลังมือไป คำถามข้อที่สองโยมนั่งสมาธิและเจริญสติด้วยการตามดูกายขณะที่ตามดูกายก็รู้สึกว่าความชัดมาอยู่ที่ลมหายใจชัดมากแล้วก็สบายแต่โยมก็ไม่ได้สนใจก็ยังคงเจริญสติด้วยการตามดูกายเหมือนเดิมสักพักหนึ่งลมที่ชัดอยู่ก็หายไปขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะ ถ้ามันหายไปก็ดูส่วนอื่นของร่างกายก็ได้เช่นถ้าเรากำลังเดินก็ดูเท้าก็ได้ดูว่ากำลังเดินก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไปถ้าเราทำอะไรอยู่ก็ให้ดูกับงานที่เรากำลังทำอยู่ก็ได้ถ้าเราไม่สามารถดูลมได้แต่การดูร่างกายนี้เป็นการเจริญสติยังยังไม่สามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ถ้าอยากจะให้ใจสงบ พอมีเวลาว่างต้องนั่งเฉยๆนั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจไปอย่างต่อเนื่องแล้วใจจะเข้าสู่ความสงบได้ต่อไปคำถามสุดท้ายจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะจากคุณจีละวันสายวันถ้าคนที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยามานานแล้วแต่ไม่ได้แต่งงานกันวันหนึ่งที่อีกฝ่ายเปลี่ยนใจไปแต่งงานกับคนอื่น โดยที่อีกฝ่ายไม่ยินยอมจะถือว่าผิดศีลข้อสามหรือไม่เจ้าคะก็ถ้าพูดตามหลักของคาว่าประเพณี <c oughs> ก็คงจะไม่ผิดเพราะว่าไม่ได้อยู่ร่วมกันตามประเพณีตั้งแต่เริ่มแรกไม่มีพิธีแต่งงานไม่มีการรับรู้ของบิดามารดาญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายแล้วพอเขาไปอยู่กับคนอื่นก็เหมือนกับว่าเปลี่ยนเพื่อน ไปเป็นเพื่อนกันใกล้แรกเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปเป็นไปเป็นเพื่อนกับอีกคนหนึ่งเท่านั้นเองก็คงที่ว่าคงไม่ไม่ผิดประเพณีเพราะไม่ได้ไมันผิดประเพณีตั้งแต่รับอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่แต่งงานนั่นแหละ <laughs> <c oughs> ถ้าอยากจะอยู่อย่างถูกต้องก็ต้องทำํทำทําตามประเพณีก็มีการสู่ขอมีการขออนุญาตจากบิดามารดามีการ มีการมีศักขีพยานรับรู้ว่าบุคคลสองคนนี้จะอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาอย่างนี้ถ้ามีอย่างนี้แล้วไปอยู่กับคนอื่นเนี้ยถึงจะเรียกว่าผิดประเพณีแต่นี้เราผิดประเพณีมาตั้งแต่ต้นก็คือเราอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่มีการทําให้มันถูกต้องตามประเพณีก็เลยไม่รู้ว่าจะว่ามันถูกประเพณีหรือไม่ถูก <c oughs> เอาแล้วนะมีอะไรอีกไหม ผิดประเพณีแต่มันผิดศีลนหคะก็ศีลนันมาจากคาว่าประเพณีไงศีลเก้าสามนี่ไการเมสมิชฌาจาราเวลระมณีคือการประพฤติที่ผิดประเพณีในการอยู่ร่วมกันถ้าเราอยู่ในสังคมของเอศศาสนาอิสลามเขาก็มีสามสี่คนได้อย่างนั้นเ็ก็ไม่ถือว่าเป็นผิดประเพณี พราะประเพณีของเขาเขาถือว่าไม่ผิดอยัางศาสนาพุทนี้ท่านก็บางทีก็ใช้หลักของประเพณีที่มีอยู่ถ้าประเพณีเขาเป็นอย่างนี้ก็อย่าทําไปผิดประเพณีเพราะไม่ต้องการให้เกิดปัญหาตามมาขอถามเผื่อคนอื่นนะคะอันนี้ <laughs> คือมีคนคนหึงเออมีคนที่ว่าจากเดิมที่เป็นเพศคารวาสหลังจาก เปล่ยนจากเพศคาวาเป็นผู้ออกปฏิบัติหลังจากที่เขาเป็นเพศคารวาที่เดิมๆทีเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะไปปฏิบัติ3าวันห้าวันสิบวันก็กลับมาทํางานต่อแต่หลายจากที่ออกไปปฏิบัติโดยโตแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเวลาว่างมากแล้วก็ใจมันก็สู้กับกิเลสที่มันจะต้องดิ้นรนว่าไอ้ความที่มีเวลาว่างมากเนี่ยมันก็ฟุ้งซ่านมากด้วยนะคะทีนี้อยากถามว่าจะเราจะมีวิหารธรรมข้อไหนที่จะให้การประพฤติปฏิบัติของผู้ที่ออกปฏิบัตินั้นน่ะดําเนิน ไปได้ตลอดรอบฟังนะคะก็คือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่านได้ใจสงบแล้วก็จะมีความสุขอยู่กับการอยู่คนเดียวได้ต้องเจริญสติอยู่เสมอตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยอย่างที่ได้เทศไว้พอลืมตาขึ้นมาปักก็ต้องตั้งสติก่อนเลยก่อนที่จะลุกไปทาอะไรแล้วก็ให้มีสติกากับอยู่กับการทางานไปตลอด จะด้วยการดูร่างกายไปหรือด้วยการบริกรรมพุทธโธไปก็ได้ถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วใจจะไม่ฟุ้งซ่านเพราะใจไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ที่ฟุ้งก็เพราะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มีความห่วงความวิตกความกังวลต่างๆตามมาความอยากตามมามันก็เลยฟุง้งถ้ามีสติแล้วมันจะไม่ฟุง้งผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรมองข้ามสติไปตัวนี้สาคัญมาก เป็นตัวตัดสินว่าจะอยู่หรือจะไปจะแพ้หรือจะชนะจะอยู่หรือจะกลับบ้านก็อยู่ที่ตัวนี้แหละถ้าไม่มีสติเดี๋ยวคิดถึงบ้านคิดถึงคนนั้นคิดตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องอยากกลับไปบ้านจนได้ <c oughs> เพราะอยู่ก็ไม่มีความสุขเพราะมันไม่สงบ <c oughs> แต่ถ้ามีสติแล้วมันจะว่างมันจะเย็นจะสบาย เรียกว่าให้มีสติอยู่กับปัจจุบันในขณะนั้นขณะนั้นที่เราอยู่อขั้นต้นถ้ายังไม่มีสติเอาสติก่อนอแต่มีสติมีสมาธิแล้วใช้ปัญญาแทนสติได้เรียกว่าเขาตั้งใจว่าชีวิตนี้จะไม่ออกจากเพศของการปฏิบัติแล้วนะคะนั่นแหละ เ, เขาตั้งใจกับการความจริงมันอาจจะไม่ตรงกันคือตั้งใจแต่พอมาปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่ไม่ได้ปฏิบัติตามสูตรที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติ มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมานั้นให้เขากลับไปเจริญสติให้มากๆาตั้งแต่ตื่นจนหลับถือเปงานหลักก่อนเลยจึงเป็นวิหารธรรมที่จะทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นอยู่ได้ต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็เจริญก้าวหน้าไปตามลาดับจนถึงขั้นสูงสุดได้แล้ว น, น, นะเวลาก็พอสมควร กอขอยุติการสนทานากาันไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ